หนธรรมะไม่ใช่สินค้าแบกกะดินไม่ใช่ของยัดเยียดวงเล็บเปิดหพฤศจิกายน2549นาจุดจุดนาทีสิบแงเล็บปิดอริยสัจนี่ตราบใดที่อริยสัจยังอยู่ศาสนาพุทธก็ยังอยู่ถ้าอริยสัจหายไปก็คือศาสนาพุทธหายไปแล้วฉะนั้นพวกเรามีหน้าที่เรียนอริยสัจนะเรียนเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองด้วยเรียนเพื่อจะสืบทอดศาสนาเอาไว้ด้วย ไม่มีที่ใดจะรักษาศาสนาได้ดีเท่าที่ใจของเราถ้าธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราแล้วเนี่ยใจของเรานี่แหละเป็นที่รักษาธรรมะเอาไว้ทรงธรรมเอาไว้จิตนี่แหละทรงธรรมเอาไว้เอาธรรมะไปใส่ตู้ไว้ก็หายนะวันหนึ่งก็หมดเอาธรรมะไปฝากไว้กับพระวันหนึ่งก็หมดนะวันหนึ่งพระก็หมดไปพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้ฝากธรรมะฝากศาสนาไว้กับพระนะแต่ท่านฝากเอาไว้กับบริสัทธ์สี่ ถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะทุกคนมีหน้าที่ชาวพุทธมีหน้าที่สองอย่างคือเรียนธรรมะให้รู้เรื่องให้เข้าใจให้ธรรมะมาสู่ใจของเราให้ได้และส่งไว้ซึ่งธรรมะเจอคนที่ควรบอกก็บอกไม่เจอคนที่ควรบอกก็ไม่บอกอันนี้เป็นหลักที่ผู้รู้ทั้งหลายเขาใช้กันอย่างพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายพอตรัสรู้แล้วไม่มีคนสมควรบอกท่านก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ใช่ว่าท่านสอนไม่ได้นะเรามักจะคิดว่าพระปัจเจกสอนไม่เป็น มันไม่มีคนที่ควรจะเรียนต่างหากภูมิความรู้ของท่านมากกว่าพระสารีบุตรอีกอย่างน้อยท่านก็บอกได้ว่าที่ท่านทำมาเดินมาได้อย่างไรท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางเดินท่านเดินมาได้อย่างไรอย่าว่าแต่พระปัจเจกเลยสาวกทั่วๆไปนี่แหละพอเดินไปได้แล้วก็ย่อมรู้ว่าเดินมาได้อย่างไรเป็นเรื่องธรรมดานี่ถ้าไม่มีคนควรบอกก็ไม่บอกเฉยๆดีกว่าหลวงปู่ดูลก็เคยสอนนะบอกว่าเวลาสมควรบอกก็บอกไป ถ้าบอกไม่ได้นะอยู่เฉยๆดีกว่าธรรมะไม่ใช่สินค้าแบกกะดินไม่ใช่ยัดเยียดให้ใครต่อใครไม่ใช่ของยัดเยียดธรรมะนั้นถ้าไม่เปิดใจขึ้นมารับนะรับไม่ได้หรอกถ้าใจของเราปิดอย่างเดียวจะรับไม่ได้พวกเด็กๆบางทีเรียนธรรมะได้ง่ายใจมันเปิดแต่ผู้ใหญ่ยิ่งโตใจยิ่งปิดคับแคบเพราะว่ามีของที่เคยเชื่อถือเอาไว้เยอะแล้วใจปิด ฟังสิ่งใหม่ๆฟังยากเพราะฟังสิ่งใหม่ๆจะเอาไปเทียบกับของเก่าตลอดเวลาเลยนึกว่าของเก่าดีวิเศษถ้าดีวิเศษจริงนะมันหลุดพ้นไปแล้วล่ะมันไม่ต้องทุกข์อยู่จนทุกวันนี้หรอกฉะนั้นถ้าใจของเราเปิดรับธรรมะก็รับง่ายใสยๆซื่อๆนะคอยเรียนรู้ไป